ตกตนตันเช้าเลยก่อนฝนตกนี่มันร้อนอ้าวร้อนเราสังเกตลหัสธรรมชาติธรรมชาติมัดมีลหัสหมดขุนไข่ อากาศนิ่งอบอ้าวหลังจากนั้นก็รอเวลาเห็นเมฆกลุม้มฝนก็ตกลงมาประตูนี้เจไมียาก็าบอกไว้ก่อน จะมีพายุฤดูร้อนแล้วก็ฟังมนุษย์ก็เตือนกันมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ฝนตกลงมาอากาศก็ชุ่มชำ่ำหลังจากอบอ้าวมานานเย็นกิวความเย็นเหมือนกันบการปฏิบัติธรรมของเรานั่นแหละ การทำงานทําการการรับเรรู้เรียนรู้เพื่อการมันก็เหนื่อยลำบากรู้สึกหนักสมองหนักหัวเมื่อยเนื้อไม่ตัวบางทีก อ, อึดอัดเกิดความขัดแยง้งมีปัญหาต่างๆมากมายให้แก้ หัจากที่ผ่านไว้ได้สบายจากน้ำท่วมเป็นน้ำไม่ท่วมจากน้ำแรงเป็นน้ำไม่แรงจากอดเป็นอิ่มจากปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาทะลุทะลวงไปเลยสะดวกสบายหายทุกทุกกาย ปฏิบัติธนี้เป็นทุกใจท <c oughs> ุกจิตทุกใจปฏิบัติก็เมื่อย <c oughs> ปฏิบัติก็ง่วงปฏิบัติก็เบื่อ <c oughs> ปฏิบัติก็สงสัย <c oughs> ครับอกครับใจแต่พอรู้สึกตัวไปเกิดความเป็นปกติ จิตก้าวสู่สภาว่าของการเดินทางมาเมื่อก้าวไปก้าวไปรู้สึกตัวต่อไปรู้สึกตัวต่อไปให้เวลากับตัวเองในการเดินทางผลทางก็ไปสูจต์มา ก, การเวลาก็พิสูจน์คนมันคืออะไรมันมีล่องมีรอย มีการบอกมีการชี้มีการนำมีฉลากยามีแผนที่แล้วก็น้อมมามีความเพียรบางทีก็เพียรไปพักไปเหนื่อยนักก็พักสักนิดหนึ่งบางทีรถมันเก่าวิ่งไปจอดไปซ่อมไป มันก็เหมือนกันเรื่าการทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเรารู้สึกตัวเเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่นานขณะที่เคลื่อนมือนึกว่าได้ไปทำบาปก็มาได้ไปพูดชั่วมันก็มีศีลอยู่กายวาจาเรียบร้อยจิตใจปกติก็คือศีลได้ประโยชน์ตน สินํำสุขมาให้สินนำาู้กระัพมาให้สินนำความเย็นมาให้แล้วก็เป็นประโยชน์ท่านรวมถึงคนหนึ่งคนมันก็รักษาคนทุกคนปลอดภัยทุกคนจะไม่มีภัยจากเราเอาโหสิกรรมมีการให้อภัยกันที่แล้วก็แล้วไปปัจจัยเราอยู่กับปัจจุบันมันก็สลัดคืน บุญที่ทํามาแล้วก็แล้วไปมันก็มีบุญใหม่ที่ก่อร่างสร้างตัวขนาดนี้ขนาดนี้เป็นบุญสูงสุดบุญคือชิงความสุขที่ได้มาโดยชอบมันก็เป็นประโยชน์ตนแล้วก็เป็นประโยชน์ท่านเมื่อเรามีความสุขคนอยู่ใกล้ตัวเราก็มีความสุขพอมีความสุขลูกก็มีความสุขลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุข สังคมก็มีความสุขก็เต้กเทือนกันไปไ ป, ประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านตัวเองได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์อนุย์เป็นสัตว์สังคมสัตสาราสิ่งก็ได้ประโยชน์ต้นไม้ใบหญ้าก็ได้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมของโลกก็ได้ประโยชน์เป็นอนุขึนชื่อว่าทำลายโลกมากที่สุด ตัดต้นไม้ทะลุทะลวงขุดดินเอาน้ำมันเอากา๊าซธรรมชาติขุดแร่แปรธาตุเล่นแร่แปรธาตุช่วงนี้อากาทหารไปขุดอยู่ทางปลาจีนบรีไปเจอหินดำๆตื่นกันให่บอกว่าเจอเพชรห้ามเข้าในพื้นที่สารพัด ทำลายธรรมชาต네ิเพชรก็อยู่มาเป็นนับล้านล้านปีเนื่องจากเกิดการเคลื่อนตัวของโลกเกิดการบวอัดของโลกกดทับมีน้ำหนักมีความร้อนนับล้านล้านปี มีภูปปเขาไฟใต้ดินใต้ทะเลภูเขาไฟมีความร้อนสูงกว่าจะเป็นเพชรได้แต่มนุษย์ขุดเอามาเล่นกัน <offerings. S 1> ถือว่าสวยที่สุดมีความแข็งแกร่งที่สุดเพชรตัดเพชร เ, เ, เ, <hein? S 2> เป็นเครื่องประดับเป็นอัญมณีไดทุกชนชั้นต้องการ กระทบกระเตือนไปหมดแผ่นดินอากาศต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สารสิ่งมีความโลภเรามีความรู้สึกตัวยังไม่ได้ต้องการอะไรเท่าไม่ได้ต้องการอะไรเพราะว่าปฏิปทาเป็นการ ปล่อยการวางความรู้สึกตัวในเกิดการปล่อยกันวางวางตัวว า, วางตนที่เกิดจากการคิดการปรุงการแต่งเห็นความคิดรูด้เท่ารู้ทันความคิดใช้ความคิดมันก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านคิดดีพูดดีทำดี เกี่ยวข้องกับกายวาจาใจ <Okay. S 1> มนโนกรรม3ามวจีกรรม4กายกรรม3เป็น10กก็ทำดีเป็นกุศลระกรบรบท10ประการมีความฉลาด ก็เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งสองไฟเวลาเราเห็นแก่ตัวให้สังกเกตเถอะมันก็อยากได้ทั้งหมดครอบครองโลกทั้งหมดเห็นอะไรก็ของกูของกูของกูของ ก, อง ก, องกูแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้บ้านหลังใหญ่อยู่บ้านหลังใหญ่ก็ไม่ได้ มีรถมีบุคคลหนึ่งสามี่ห้าันก็ยังทุกข์อยู่อยู่คนเดียวเหงาว้าเวอยู่คนเดียวสับสนฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวว่าหนักอกหนักใจหายใจไม่ทั่วท้องไม่รู้จะแก้ปัญหา ไม่รู้จะมีทางออกอยู่ตรงไหนเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความคิดของตัวเองทีก็ยึดถือนะทางจิตวิญญาณความเชื่อต่างๆปิดตัวเองเหมือนสมัยวิทการ สมเด็จสมมาสุนเจ้าหลังจากตัสรูอ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเปิดของที่ปิดงายของที่ฟั่มก็ไปชี้ชวนใช้แก่นของธรรมะแท้เทศพูดถึงเรื่องธรรมจกกักรกระเป๋าน้าสูตรไม่มีสูตรอื่นปลอมปน จันญากตัญญาบรรลุธรรมแต่ในขณนะที่หลายหลายคนนับถือลัทธิต่างๆมีม่านประเพณีที่แข็งแรงยึดถือความเชื่อได้ว่าในเมืองพารณาณสีเชื่อภูเขาก็ไปกราบภูเขาเชื่อต้อนไม้ไปไหว้ต้นไม้ เชื่อแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อพระนารายเชื่อพระอิศวนเชื่อพระพรหมเชื่อจมกาลีมากมายท้ายสุดต้องออกจากปาราสีปลายจีปัตตานมแล้วก็ไทยวรรอยู่แค่พันจาเดียว เพราะว่าสอนคนที่นันไม่ได้ทั้งๆได้เป็นเมืองตากจิลาเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นทางด้านการค้นหาทางออกชีวิตแต่ว่าก็ไม่สามารถประสิทธิศาสตร์ประดิษฐ์ฐานวิชาของอุตสหาหะลงตรงนั้นได้ มันต้องค่อยๆใช้ประสดุต่างๆอีกมากมายแล้วเกินเพื่อนำเสนอให้คนได้เห็นว่าเออสิ่งนี้มันเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งของชีวิตเราเราเป็นทางออกเป็นคำตอบสุดท้าย้วยของชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต คืนสู่ความเป็นปกติของจิตแล้วเข้าสู่สภาวะของกระแสมรรคผลและนิพพานเป็นความสุขที่อยู่เหนือโลกมันยังมีกินน อ, อยายจริงๆไม่เปลี่ยนแปลง เวลาปิบัิธรรมการเคลื่อนไหวรู้สึกการจเจริญสติฐาน4มีสติเลิกรู้ความรู้สึกตัวเวล า, วา ก, ก, กายมันขะยับคยื่นเคลื่อนไหวมีสติเลิกรูนะ้ความรู้สึกตัวเวลาเวทนามันเกิดกับกายมีสติเลิกรู้ความรู้สึกตัวในขณะที่เวทนา สุทุกมันเกิดขึ้นในจิตในใจจิตใจก็อาศัยกายอยู่เวลาจิตใจก็มีอาการมีปฏิกิริยาก็สามารถรับรู้รับทราบได้วัตถุอาการปรากฏมันไม่ใช่แค่รูปธรรมอย่างเดียวเป็นนามธรรมจิตชอบคิดเก่งหน้าที่โดยตรงความคิดเป็นอาการของจิต ไม่ใช่จิตเดิมแท้ที่ประพัฒนสอนผ่องใสจิตเดิมแท้ประพัฒน์สอนผ่องใสแต่ว่าอาการอารมณ์ต่างๆอุปกิเลตต่างๆจรมาเหมือนสลาหลังเนี้ยมันว่างอะไรจะจอนมาก็ได้ศาสนาสิ่งคนดีคนเลวเข้ามาได้หมดเหมือนจิต คนดีเข้ามาก็สะอาดเจ็บตูหนั่งนั่งน้านอนสัตว์สาราสิงเข้ามาหมาแมวก็เอาหมัดเอาความโกโปรกเ็้ า, าโลกาปยาที่ต่างๆก็เกิดขึ้นเป็นปหาหนำโลกจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นนะเวลาตัวหลงมาทีานึงก็ ป่นปนทเดียวเดี๋ยวรักเดี๋ยวจังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงจิตเราก็เศร้าหมองทั้งๆไอ้เดิมแท้ประพัดสอนป่องใส่เราก็ได้ประโยชน์ตนโดยการเห็นความจริงในตัวเราอยู่คนเดียวไปฏิบัติธรไงก็อยู่ได้ประโยชน์ตน ควาปตนจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนมันก็เห็นเห็นความจริงที่กายเห็นธรรมชาติของกายเรามีสติแล้วครูความรู้สึกตัวเวลารูมากระทบทางตาเสียงมากระทบทางหูกลิ่นมากระทบทางจมูกรสชาติกระทบที่ลิ้น สัมผัสเกิดขึ้นมาที่กายของเราหรือว่าจิตใจมีธรรมอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาทำอารมณ์อารมณ์ของธรรมเป็นกุศลธรรมอากุโสลธรรมเกิดขึ้นมามีสติเลค ร, กรูก็เห็นความจริงอาการที่ปรากฏเกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นพบขึ้นมา เ ป, เป็นพาเป็นภพเกิดดับเกิดดับ <c oughs> พอมีสติลงไปมันก็เห็นหน้ากาเรานั้นเป็นแค่สภาพธรรมมันไม่ใช่ตัวเราที่ควรจะยึดเอามาเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความพอใจไม่พอใจเย็นดีเย็นร้ายชอบไม่ชอบมันก็รู้ตามความเป็นจริงรู้เฉยๆรู้แล้วไม่ทุกข์นคนละแดนกัน แดนโลคิยามก็แดนนึงแดนโลกุตระมก็แดนหนึ่งแดนโลคิย่าเราก็ทําไปสมมติบัญญัติคุณฑธรรมชัยธรรมศิลธรรมจาริตรเพณีเกิดความสุขสวยรวยดีก็ทําไปตามสมมติบัญญัติส่วนจิตใจเข้าถึงปรมัณ์สภาวะเป็นโลกของโลกุตระ ปรามัฏฐาสภาวะเห็นสักด้วยเห็นได้ยินสะะได้ยินกลิ่นสะวากลิ่นรสสวาทรสก็นะ เ, เกิดความเป็นเช่นนั้นเองขึ้นมาไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรขึ้นมาในความรู้สึกตัวเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีสติอยู่กับโลกไม่ติดโลกก็ได้ มีสติอยู่ก็ทุกข์ไม่ต้องทุกข์ก็ได้มีสติอยู่ก็สุขไม่ต้องสุข ก, ก็ได้มันเห็นสุขเห็นทุกข์มันเห็นโลกสุขทุกข์มันอยู่กับโลกโดยเพราะโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เป็นกำไรชีวิตในเมื่อพระุทธองค์เปิดของที่ปิดหงของที่ความเราเป็นเรื่องของสัจจกามจริงเราก็เห็นเช่นนั้นเมื่อเราจเจริญสติฝึกหัดสติมันเกิดความว่องไวเห็นอาการต่างๆตามความเป็นจริง มีปัญญาเกี่ยวข้องถูกต้องถูกต้องตรงตรงต่อศธรรมก็คือการเห็นเห็นและไม่เข้าไว้เป็นวิปัสสนามันก็ตอบอย่างนั้นทัศนาจรเราท่องเที่ยวโลกกว้างเราก็ตอบได้ ที่ไหนมีอะไรลักษณะเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเรามีเงินมีทองมียานพานะดีมีรถดีๆสักคันหนึ่ง โ, รโฟร์วิลด์ได้สะเทินน้ำสะเทินบกวิปัสสนาญาณมันยิ่งดียิ่งดีว่าวัตถุรุปธรรม ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อมาไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยสติเป็นนมธรรมมันก็มีอยู่แล้วมันก็พาสะเทินสุ ข, ส, ขสะเทินทุกมีความเป็นกลางขึ้นมามีสุขไม่ต้องสุขมีทุกไม่ต้องทุกมีแต่ใช้มีไว้ใช้เป็นสมบัติคู่โลก เราอยู่กับโลกเราก็ใช้ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจภายในก็ใช้ภายนอกก็ใช้ชีวิตมันก็ลอยลำํำ mm hmm. เกิดภาพต่างๆที่เป็นคุณมากมาย mm hmm. เช่นคุณภาพจะทำอะไรก็ตาม ใช้ความคิดใช้การพูดใช้การกระทา mm. เกิดประสิทธิภาพ mm. จะทำงาน mm. ทำการก็เกิด mm. สำลิดผลขึ้นมา mm. เกิดเป็นอจริยภาพ mm. เป็นความฉลาด mm. การแก้ปัญหาแก้ปัญหาได้ยัง mm. ทันอกทันใจทันควัน เกิดอริยาภาพขึ้นมาก็คือมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนตัวเองไม่ได้เบียดเบียนพื้นเป็นลน้กณะของอริยาภาพเกิดจิตใจทึงผ่องใสว่วงไวทำหน้าที่ก็ ในพ่อหน้าที่ตัวเองกับตัวเองนะได้คำตอบทุกคำตอบมันจะต่อต่อไปอีกเกิดสันทิสุขสันทิภาพขึ้นมาในโลกทั้งใบเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็เป็นขนาดนั้นเลยเป็นการกระทำกรรมฐานแล้วก็จบทุกสิ่งทุกอย่างครอบจักรวาลไปเลย ในความรู้สึกตัวมีทุกอย่างเราก็จึงพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้การปริธรรมจึงจำเป็นแต่ละขณะรู้สึกตัวรู้สึกตัวจึงมีความจำเป็น ทุกครั้งที่ขาดความรู้สึกตัวมันก็เป็นอะไรไปแล้วไม่รู้ประโยชน์ตนก็พลาดประโยชน์ท่านก็พลาดเกิดพบเกิดชาติมากมายขึ้นมาเวียนไวยไตยเกิดวัตตาสงสารอันยาวไกลก็ยังยาวไกลอีกต่อไป อีกกี่กับกี่กันก็ไม่รู้นะกีอสงไขถึงจะได้มีการปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดการเดินทางที่มันดีขึ้นว่าเก่าต่างขึ้นว่าเก่าเกิดอิสรภาพขึ้นมาเกิดเสรีทางด้านจิตวิญญาณ อิสระภาพอยู่เหนือโลกโกรธนี่มันอยู่ในโลกนะในโลกของโลกที่เป็นภูมิต่ำเปรตสเดชาอาสุรกายเป็นอบายภูมิภูมิต่ำเทวดาพรมอมภูมิที่สูงขึ้น เมตตากรุณาเมตตาเบียขาอายเจ้กลัวบาป พ, พุทธภูมิก็คือการรู้ตื่นเบิกบานจิตใจเป็นปกติมีศีลมีธรรมมีศีลด้วยแล้วมีธรรมด้วยมีสติแล้วมีปัญญาด้วยมันก็ครบเลย มันก็จะได้ทำประโยชน์จริงๆไปไหนมาไหนไม่ได้คิดเบียดเบียนอะไรก็ตามมันเป็นธรรมชาติจะกกรรมบัดกัดฟันกรรมมีดกรรมปืนจากการกรรมพวมลัยรถยนต์กรรมปากกากรรมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ จึง เ, เกิดเวรเกิดกรรมขึ้นมาผลก็คือจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จากเหตุทํากรรมไว้เกิดวิบากเป็นผลขึ้นมาลําบากวิบากก็คือลําบากติดสุขก็ลําบากติดทุกข์ก็ลําบากเป็นวิบากลําบากเกิดการขัดแย้งขึ้นมาคือความทุกข์ เราเปลี่ยนปรปเวทธรรมรมกรรมฐานเกิดธรรมชาติขึ้นมาก็มีอนิสงส์ใหญ่โตมากอานิสงส์นี่ทะลุทะลวงโลกสั่นสะเทือนไปเลยเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็สังเกตได้จากพระพุทธองค์นี่แหละ องสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่เข้าใจธรรมะรู้ธรรมะก็บอกไว้เลยโอ้สิ่งที่เรารู้นั้นมันละเอียดประณีตลึกซึ้งรู้ตามได้ยากเห็นตามได้ยากไม่ได้รู้ด้วยการคิดการนึกการตรึกการตรองหรือว่าบัจญาตร ก, กะ คำนึงคำนวณด้วยการด้นเดาแต่ว่าผู้รู้วิสัยบัณฑิต ร, รู้ได้ก็คือมารู้สึกตัวนี่แหละทางเอกขนทางเดียวสู่การรู้แจ้งคือมหาสติฐานสี่สติรู้กายรู้เวน า, นานรู้จิต ร, รู้ธรรมวันเป็นเดือนหกพฤศจิกาข้ามยามสามปิยากาท่านทำอะไรท่านก่ออิฐฐานจิตถึงแม้เลือดเนื้อ จเจอแท้งไปจากสรีละหนังเอ็นก็ดูจะอุพังไปก็ตามหากท ร, รมาที่เราควรรู้ควรเห็นได้เรี้ยวแรงของบุรุษเรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปธิยานเราจะไม่หยุดทำความเพียรเสียถึงแม้ตายไปก็ยอมไม่หยุดขอนั่งเป็นครั้งสุดท้าย ก็แสดงถึงความหนักแน่นมีความอโอดตอดโอดแกรนแล้วก็ค้นหามา6ปีแล้วมันก็ยังไม่รู้มันเหมือนก็จะรู้แล้วมันก็ไม่รู้เลยตัดสินใจมาเป็นทางจิตมีสติดูจิตมีจิตเห็นจิตมีสติรู้สติลงไปยามสาม มันเป็นเดือน6กยามสามก็คือเวลานี้แหละกวันรู้นะอาสวักยญาณเห็นรายละเอียดนะของกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจเจอปัญจานี่คือความคิดของตัวเองนั่นแหละจับได้ไล่ทันจนทานมาพุทโธปัโทปโธ พุทธะคือพระศาสนาเราเนี่แหละเกิดจากคำอุทานมีความสำเร็จจนมาถึงยุคเราว่าจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำไม่ได้มันไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้จากวันนั้นก็เป็นวันนี้ของเรา จากประโยชน์่อนท่านก็เป็นเป็นประโยชน์ของเราจากประโยชน์ของเราก็ยังจะต่อต่อต่อต่ อ, ต อ, ตอกันไปอีกกับคนลักคนที่อยู่ ใ, น ใ, นใกล้ตัวเราเก่าเนื้อจนคนรุ่นหลังที่ยังมีรอยรอยของการเข้าสู่สภาวะของพุธธทธหรือว่าทที่สุดแห่งกองทุกข์เพอยู่ในความเป็นปกติความรู้สึกตัวนี่ละ ว, วันนี้กนละุ่มปฏิบัติก็จะกลับไปกันแล้วก็ขอนมย์พรให้นักวเชาธรมทุกท่านหรือผู้ที่ตั้งใจใส่ใจ ก, การไปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลาย การที่เราได้ทำดีทำบุญทำทานรักษาศีลการที่เราได้ได้ทำงานทำการช่วยสังคมช่วยครอบครัวก็ขอให้อันนี้สงทั้งหมดเ ป, ปเป็นพลังเป็นภาวะปัจจัยให้พวกเราทุกท่านเข้าถึงคุณธรรมเบื้องสูงขององค์ตุมเดชสัมมาสมัมพุทธเจ้า เห็นทุกเห็นเหตุแห่งทุกแล้วก็อยู่เหนือทุกมีความสุขเสริมสารก็คือสภาวะของความเป็นปกติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเอ